ทรงอนุญาตให้เข้าตระกูลได้ในสมัยที่ถวายจีวรสองสมัยนั้นพวกพิกูจนมีความยำเกรงอยู่จึงไม่เข้าไปหาตระกูลทั้งหลายในสมัยที่ถวายจีวรจึงได้จีวรเพียงเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับพิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เข้าไปหาตระกูลทั้งหลายได้ในสมัยที่ถวายจีวรแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้